จเจริญวิปั ส, สนาอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอระหันต์คลั้นบรรลุพระอระหันต์แล้วท่านพิจารณาการปฏิบัติของตนได้กล่าวสองคาถานี้เป็นอุทานว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในเทพนิกายหมู่เทวดาจึงเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการตลอดวัน14บ่ข้าม5ิ้าข้ามดข้ามแห่งปัก และตลอดปฏิหาริยปักแต่วันนี้ข้าพเจ้าฉันอาหารมื้อเดียวมีศีรษะล้นห่มผ้าสังคาติบวชแล้วไม่ปรารถนาเทพนิกายข้าพเจ้ากำจัดความกระวนกระวายในใจเสียได้บาลีอปทานเล่า ว, ว่าพระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบารมีโดยถวายบิณฑบาตด้วยอาหารปรุงอย่างดีพร้อมเครื่องลูปไล้กลิ่นหอม ปิดด้วยตาข่ายคลุมด้วยผ้าสีเหลืองแก่พระสมณะภิกษุรูปหนึ่งผู้มีอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นอบรมดีแล้วด้วยอริยมรรคทำให้ไม่รู้จักการเกิดในทุกขติเลยคาถานั้นมีอธิบายว่านางปรารถนาจะเกิดในสวงสวรรค์จึงสมาทานรักษาอุโบสถทศีล8ข้อทุกทุกวันอุโบสถ ปาฏิหาริย์ปากได้แก่การรักษาอุโบสถในวัน13ข้ามแรมหนึ่งข้ามเจข้ามและ9ข้ามโดยวันต้นเป็นวันเข้าวันสุดท้ายเป็นวันออกตามลาดับของวันสิบสี่ข้าม15บ้าข้ามและ8ปดข้ามเช่นเข้าสิบสามข้ามอยู่14่ข้ามออกหนึ่งข้ามเป็นต้นรวมเป็นสามวัน